และความคิดอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ทั้งนี้ในเบื้องต้นเราต้องศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านและการฟังแล้วนํามาคบคิดไตร่ครวงเพื่อให้รู้ถึงแนวทางของการเฝ้าสังเกตรปรากฏการของรูปและนามได้อย่างถูกต้องต่อไปซะก่อนห3การแสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน